โมหะเยอะนะแต่และคนนั่งกันมืดมืดมัวมัวทีแรกว่าจะไม่สอนทนดูไม่ได้แย่รู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไว้อย่าทิ้งการปฏิบัตินะ ไม่มีอะไรทำหายใจไปพุโทโธไปหรือบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดจเจริญเมตตาอะไรก็ได้หางานให้จิตมันทางานของจิตนะ่เรียกว่ากรรมฐานงานของจิตมีสองส่วนส่วนหนึ่งทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังมีความสดชื่นเป็นสมถะกรรมฐาน อี่านหนึง่งทำให้จิตฉลาดหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นเรามีงานต้องทำนะไม่ใช่ว่างๆใจลอยๆเออละเหยไปบันๆ น, นึัต้องรู้ว่างานของเรายังไม่เสร็จคือจราบใดที่ยังมีความทุกข์อยู่งานยังไม่เสร็จ งั้นทำอะไรไม่ถูกก็หายใจไปพุโทโธไปหรือบริกรรมอะไรก็ได้ให้ใจมันมีที่อยู่ ใ, ใจมันมีที่อยู่แล้วเวลาใจมันหนีไปเราก็มีสติรู้ทันว่ามันหนีไปใจฟุ้งซ่านรั้ว่าฟุ้งซ่านใจสงบรั้ว่าสงบเนี่ยมันค่อยมีกำลังต่อขึ้นมาเทินปัญญาได้ มันเนี่ยจะเห็นว่าใจฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงใจสงบก็ไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้ใจสุขก็ไม่เที่ยงใจทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจล่องลอยใจให้ฟุ้งซ่านไปไปอาบายแน่นอนมันหลงอย่างใจพวกเราตะกี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วใจของเราตอนนี้สว่างกว่าตะกี้แล้ว ดูออกเปล่าเยอนะก็เห็นแล้วต้องรู้ตัวนะว่ายังมีงานที่ต้องทำไม่ใช่ว่าทำจิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วงานที่ควรทำคือกรรมฐานมีสองงานสมถะกับวิปัสสนา วิปั ส, สนาคือการที่เราเห็นใจรักของกายของใจถ้าช่วงไหนดูใจรักไม่ออกนะเราก็ทำกรรมฐานไม่อันหนึง่งให้ใจได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวนะั้นไม่เราจะมีงานตลอดนะมีงานทั้งวันนะยกเว้นให้เฉพาะตอนทำงานที่ต้องคิดทำมามหากินอะไรอย่างี้ต้องทำแต่อตอนนอนหลับนะ เวลาที่เหลือเนี่ยงานกรรมฐานยังอยู่ต้องทำอีกบริกรรมไปหายใจไปแล้วสังเกตจิตใจของเราไปเนี่ยใจมาออกข้างนอกใจไปอยู่ข้างนอกอยากปฏิบัตินะส่งจิตออกไปมันถลําไปอย่างนี้ ไม่ได้ห้ามมันหรอกีแต่ว่ามันถลัมไปมันไหลไปมันคิดไปเรืรู้ทันมันถ้าเรารู้ทันจิตใจไม่ได้ไม่ได้กรรมฐ า, านอะไรสักอย่างอย่างสงบนะแต่ว่าเราลืมจิตใจตัวเองมันก็เป็นมิจฉาสมาธิงั้นเราไม่ลืมตัวเองรู้สึกเรื่อยไม่บังคับตัวเองนะ บังคับจิตอยู่จิตมันแน่นส่งจิตไปดูแล้วรู้ไหมก็ออกไปเที่ยวสแสวงหาแล้วกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะฝึกไปไ ด, ได้เรื่องธรรมดา น, นี่คนจีน ใจ่โ่งสร้าง น, นะทั้งกลุ่มนี้ใจมันหนีไปไหนุ่มนะ น, นะที่แถวที่สามเนี่ยอย่าคิดเยอะรู้สึกเอาอย่าบังคับจิตแล้วก็อย่าหลงไปอยู่ในความคิดรู้สึกตัวไปได้ๆ ร, รู้สึกสบายสบาย เมื่อวานใครมาบ้างเมื่อวานได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องเจนอาโดนงู ก, กัดไหมแล้วหลวงพ่อว่ากัดไม่เข้าตรงที่เราได้ยินคำว่ากัดไม่เข้าเนี่ยเราคิดถึงอะไรเอาเอาแวบแรกที่เราคิดนะหนังเหนียวใช่ไหมเนี่ยเป็นการทดสอบนะเป็นการวัดว่าจิตใต้สํานึกเราเนี่ยยังงมงายอยู่ ทำไมไม่คิดในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์คนสติดีๆนะพอเหยียบไปโดนงูนะสติมันทำงานเร็วรู้ว่างูปุ๊บก็เห็นไปสิงูมันจัดนะมันจัดไม่ถนัดน่าสงสารงูนะถูกเหยียบเบาๆไปทีหนึง่งนะแล้วตอนที่มันฉกอะ มันมนกัดผิดจังหวะเพราะว่าเหยื่อมันเคลื่อนที่ไปกลายเป็นมันเอาหัวไปโขกสนเท้าอาจารย์อาเฮ้ยที่น่าสงสารเมือ่อวานหรวงพ่าดูโอ้ลวนแต่หนังเดียวทั้งนั้นเลยนะมันสะท้อนความงมงายของเรานะทาไมพอฟังอะไรปุ๊บจะต้องเป็นปฏิหารตลอด พระโสดาบันไม่เชื่ออะไรที่งมงายนะพระโสดาบันไม่งมงายเีเรื่องสำคัญมากเลยงั้นเราดูคุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบันมีเหตุมีผลไม่เชื่ออะไรงมงายไม่เชื่ออะไรนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าโสดาบันมีศีลบริบูรณ์งเราถือศีลไหม เราไม่มีที่พึ่งอื่นอย่างเนี้ยมีที่พึ่งอื่นคือมีวัตถุมงคลเป็นที่พึ่งที่พึ่งเราคือสติสมาธิปัญญานะฮะคือธรรมะนีอ่อะไรที่งมงายนะทิ้งๆมันไปบ้างเลิกตียามดีไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าบอกนะ เลิกดีก็คือมันสะดวกมันพร้อมนั่นแหละเลิกดีดวงดีไม่มีไม่มีใครมาเขียนดวงของเราชีวิตของเราไม่มีใครลิคิตกรรมคือการกระทําของตัวเองกําหนดชะตาชีวิตของเราเองและมันพิสูจน์ได้นะอย่างถ้าเราฝึกใจให้ชั่วไปเรื่อยๆจิตเราก็ตกต่ํา ใจจมอยู่ในความทุกข์ตายไปก็ตกนรกเพราะมันตกตั้งแต่ยังไม่ตายใจหลงอยู่ในความโลภมากๆนะตายไปมันเป็นเปรตเพราะมันเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายเัง น, นเราเป็นอย่างที่เราทำเองทั้งหมดนั่นแหละคือกฎของกรรมไม่มีเรื่องปฏิหารอะไรทั้งสิน้นหลวงปู่โดนนะพูดถึงอภิญยาเนี่ยอภินยาเยอะ เล่นอะไรได้แปลกๆทำอะไรได้แปลกๆมากมายแต่หลวงปูดูลพูดเลยบอกว่าปฏิหารไม่มีปฏิหารไม่มีมันมีแต่พลังงานของจิตไหมท่านเป็นวิทยาศาสตร์ดีไหมเป็นแต่เรื่องพลังงาน ส่วนพวกเราคิดแต่เรื่องปฏิหารเป็นผู้ทุชนมันก็คิดอย่างนั้นไม่แปลกหรอกนะแต่อย่าให้มันจมแช่อยู่หยุดอยู่แค่นั้นพัฒนาขึ้นมาพูดผีอะไรมันมีมั่ก็แค่สัตว์สายพันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราอยังพึ่งตัวเองไม่ได้ ยังไว้ใจไม่ได้นะถ้าเราต้องพึ่งปาฏิหาริย์พึ่งเทวดาพึ่งอะไรอ่เงี้ยเราพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นพึ่งไม่ได้ตลอดาต้องพึ่งตัวเองพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาของตัวเองพัฒนามันขึ้นมาเราถึงจะมีที่พึ่ง วันใดที่เราสามารถพึ่งตนเองได้ น, ะนั่นแหละเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งวันใดใจเข้าถึงธรรมะใจเราเป็นพระสงฆ์แะใจมันเข้าถึงธรรมะแล้นี่นเราเป็นส่วนของพระรัตนตรัยได้ที่พึ่งมาแล้วถ้าใจไม่มีที่พึ่งไม่มีความสุขนะ ไม่มีความมั่นคงยิ่งพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นเนะี่ยยิ่งแย่ใหญ่เราพึ่งคนอื่นไม่ได้ตลอดบอกว่าลูกัดไม่เข้านะเสียงที่ระ ง, งมขึ้นมาก็คือโอ้หนังเหนียว นุ่มที่นั่งกระโยกอยู่นะหลงไปแล้วนะเคียร์จิตมันหลงแวบไปอย่าบังคับจิตตอนนี้บังคับจิตอยู่หนะลงหลงไปก็ใช้ไม่ได้บังคับจิตไว้ก็ใช้ไม่ได้แต่ดีกรีของการใช้ไม่ได้ไม่เท่ากันนะหลงนี่ใช้ไม่ได้ที่สุดเลยเพราะหลงนี่เป็นอกุศลบังคับตัวเองอยู่เป็นกุศล แต่กุศลนั้นไม่พาให้เกิดมรรคผลมันทำให้กายนิ่งกว่าความเป็นจริงให้จิตนิ่งกว่าความเป็นจริงเราเลยไม่เห็นไตรลักดีหายใจไปบริกรรมไปดีทำให้เคยชินนะพอว่างปุ๊บบริกรรมไปหายใจไปเลยให้เคยชินไหม แต่รู้การเทศานะตอนขับรถอย่าไปทำนะเดี๋ยวจิตรวมตื่นขึ้นมาเจอโยมบาลพี่หนุ่มที่มีเสื้อดาวนั้นเนะ่ยเดี๋ยวเที่ยวส่งจิตไปดูข้างในเที่ยวไหลาหลๆหลไปนะหลงไปคิดหลงไปเลยให้รู้ทันเอาจิตมันเคลื่อนไปละ ทีหลังเวลาว่างๆทำตัวแบบนี้นะไม่ใช่ทำตัวมืดตื้อตือยอย่างตะกี้นะตอนนั่งอยู่ตัวนะดูไม่ได้เลยนะไม่สมเป็นนักปฏิบัติอย่างนั้นเร้ยว่าจิตหดหู่จิตมันหดหู่ไอ้หนุ่มแถวที่สีะ เ, เสื้อเสื้อสีอ เ, สเทา อย่าส่งจิตไปอย่างนี้ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะจิตมันดีขึ้นมาแล้วละขันมันก็เริ่มแยกแล้วแต่เวลาเราภาวนาอย่าให้มันถล่มลงไปมาจากไหนเราอะไม่ดีไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เสียงมันดัง ฝึกให้สม่ำเสมอนะเราพื้นฐานจิตเรามีสมาธิแล้วล่ะต่อไปก็ปล่อยให้จิตมันทํางานแล้วจเจริญปัญญาดูกายดูใจทํางานไปมีสมาธิแล้วหยุดอยู่แค่สมาธิเฉยๆใช้ชชชชไม่ได้แต่พวกเราส่วนใหญ่ยังไม่มีสมาธินะใจฟุ้งซ่านวกแกวกวกแวก หาเครื่องอยู่ไปแล้วก็รู้ทันจิตไปแล้วสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นสมาธิพวกเรายัางอ่อนไปหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ใช้เวลาไม่มากไม่กี่เดือนเพราะหลวงพ่อทำสมาธิมาก่อนจิตมันมีสมาธิเยอะอยู่แล้วพอมีสมาธิแล้วเราเดินปัญญาไม่เป็นเท่านั้น หลวงปู่สอนวิธีเดินปัญญาให้คือดูความเชลื่นไหวเปลี่ยนแปลงของจิตมื่ก็ไปเดินปัญญาได้เลยถ้าจิตมอกแวกมกแวกไม่มีสมาธิมันยังเดินปัญญาไม่ได้ปูกซ่านงั้นมีเวลาหนาทีสิบนาทีอย่าทิ้งเปล่าๆนะฝึกไปหายใจไปพุโทโธไปหรือบริกรรมไปทำไปเรื่อยๆแต่อย่าไปบังคับจิตให้นิ่ง หาใจไปบริกรรมไปพูดโธไปอะไรก็ได้แล้วจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าบังคับให้หมันนิ่งแต่ต้องมีเครื่องอยู่นะแล้วสมาธิมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นสะสมไปสมาธิดีแล้วนะใจมันเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันก็พร้อมที่จะเดินปัญญาแล้วก็เอาใจที่รู้ตื่นเบิกบานนะมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจ อย่างอยู่ๆ อ, อยู่ไปดูกายดูใจทำงานดูไม่ได้หรอกใจยังฟุ้งอยู่หายใจไปพุทธโทธไปไแล้วก็มีสภาวะเกิดขึ้นก็ค่อยรู้อย่าเพ่งแรงมิหนูที่ใส่เสื้อมีรูปพระพุทธรูปเนี้ยเพ่งแรงไปแล้วเอาหันไปทางนั้นไม่ต้องกราบหลวงพ่อเสียเวลา หันไปทางนั้น